หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดล์คาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมตรให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่สมวิธีปฏิบัติ12สองประการเพื่อจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวคิดของท่านบทที่หนึ่งท่านไม่สามารถชนะการโต้แยง้ง หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงแล้วไม่นานข้าพเจ้าได้ศึกษาบทเรียนอณหาค่ามีได้อย่างหนึ่งในกรุงรอนดอนขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการของเซอร์โรสสมิธระหว่างสงครามเซอร์โรสเป็นนักบินดาราเอกของออสเตรเลียในปาเลสไตน์และหลังจากการประกาศสันติภาพแล้วเขาได้ทำให้โลกพิศวงงงงวยด้วยการบินได้ครึ่งโลกสาเร็จภายในระยะเวลาเพียง30วันเท่านั้น ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยว่ามีบุคคลใดที่เก่งกล้าสามารถถึงขนาดนี้เป็นอีกเรื่องอึกทึกคึกโครมอย่างมหาศาล ร, รัฐบาลออสเตรเลียให้เงินรางวัลแก่เขาห้า0มืเหรียญพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษให้บรรดาซั์เซอร์แก่เขาและในระยะหนึ่งเขาเป็นมนุษย์ภายใต้ธงยูเนียนแยกที่มีผู้กล่าวขวัญถึงมากที่สุดเป็นลินเบริร์กแห่งจั ก, กรวรรดิอังกฤษคืนวันหนึ่งได้มีการเลี้ยงดินเนอร์ เพื่อเป็นเกียรติยศแก่เซอร์ร็อดซึ่งข้าพเจ้าร่วมงานนี้ด้วยผู้หนึ่งและในระหว่างการกินอาหารนั่นเองชายคนหนึ่งผู้นั่งติดกับข้าพเจ้าเล่าเรื่องตลกเรื่องหนึ่งซึ่งจุดสำคัญอยู่ที่การอ้างประโยคมีเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นผู้ปั้นโชคชะตาของเราเราจงช่วยถากให้เป็นรูปอย่างห ย, ยาบๆเท่าที่จะสามารถผู้เล่ากล่าวอ้างว่าเขานำประโยคนี้มาจากคัมภีร์ไบเบลิล เขาอ้างผิดอย่างถนัดทีเดียวข้าพเจ้ารู้ดีข้าพเจ้ารู้อย่างถ่องแท้แน่นอนโดยปราศจากความพิศวงสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวและเหตุนี้เองเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญและเพื่ออวดเด่นข้าพเจ้าถือโอกาสแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการที่ไม่มีใครเชื้อเชิญและไม่มีใครต้อนรับในการตัดสินชี้ขาดว่าเขาถูกหรือผิดเขายืนกรานเสียงแข็งว่าเขาถูกที่ไหนกัน จากเชกสเปียร์เป็นไปไม่ได้เหลวไหลข้อความประโยคนี้มาจากคัมภีร์ไบเบิลต่างหากและเขายืนยันว่าเขารู้ดีท่านนักเล่าผู้นี้นั่งอยู่ทางขวามือของข้าพเจ้าและมิสเตอร์แฟรงก์แกรมมันเพื่อนเก่าของข้าพเจ้านั่งอยู่ทางซ้ายมือของข้าพเจ้ามิสเตอร์แกรมมันใช้เวลาหลายปีในการศึกษางานของเชกสเปียร์เหตุนี้เองท่านนักเล่าผู้นั้นและข้าพเจ้า จึงตกลงที่จะส่งปัญหานี้ไปให้มิสเตอร์แกมมันตัดสินชี้ขาดมิสเตอร์แกมมันนิ่งฟังแตะแข้งข้าพเจ้าใต้โต๊ะแล้วพูดเดลคุณเป็นผู้ผิดท่านสุภาพบุรุษผู้นี้ถูกแล้วมันมาจากคัมภีร์ไบเบิลระหว่างทางกลับบ้านด้วยกันกับมิสเตอร์แกมมันคืนนั้นข้าพเจ้าพูดกับเขาแฟรงคุณรู้ดีว่าประโยคที่เขาอ้างเป็นของเชกสเปียถูกแล้วถูกเพียงที่เดียวเขาตอบ อยู่ในเรื่องแฮมเล็ตองห้าฉากสองแต่เราต่างเป็นแขกในวาระที่เป็นสุพมงคลเดวที่รักทำไมเราจะต้องไปพิสูจน์ว่าผู้อื่นทำอะไรผิดเล่าคุณคิดว่ามันจะทำให้เขาชอบคุณกระมังทำไมจึงไม่ปล่อยไปตามเรื่องตามราวโดยอย่าให้เขาเสียหน้าเขาไม่ได้ขอร้องให้คุณออกความเห็นเลยสักหน่อยเขาไม่ต้องการให้คุณออกความเห็นอะไรทั้งนั้นทาไมจะต้องไปแย้งเขา จงหลีกเลี่ยงมุมแคบไว้เสมอผู้กล่าวคำพูดประโยคนี้เวลานี้ตายจากไปแล้วก็จริงแต่บทรเรียนที่เขาสอนข้าพเจ้ายังคงดำรงอยู่โดยไม่รู้จักดับสูนมันจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับข้าพเจ้าที่จะได้รับบทรเรียนนี้เนื่องจากข้าพเจ้ามีนิสัยสันดานเป็นนักโต้แย้งอย่างเข้ากระดูกดําทีเดียวระหว่างข้าพเจ้ายังรุ่นหนุมข้าพเจ้าโต้กับน้องชายของข้าพเจ้าถึงเรื่องร้อยสี่ร้ออย่างภายใต้ท้องฟ้า เมื่อข้าพเจ้าไปอยู่ที่วิทยาลัยข้าพเจ้าศึกษาตรรกวิทยาและวิชาหาเหตุผลโต้แย้งและเคยแข่งขันการโตวาทีมานับครั้งไม่ถ้วนถ้าหากมีการพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับรัฐมิสซูรีในฐานะข้าพเจ้าเกิดที่นั่นข้าพเจ้าจะแสดงความอวดรู้อย่างสุดกำลังต่อมาภายหลังข้าพเจ้าเป็นครูสอนวิชาโตวาทีและวิชาหาเหตุผลโต้แย้งในนครนิวยอร์ก และมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกอายที่จะขอสารภาพความจริงข้าพเจ้าตั้งใจจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าได้ฟังได้วิจารณ์ได้เข้าร่วมวงด้วยและพบเห็นการโต้แย้งกันของนักศึกษานับเป็นจํานวนพันๆครั้งจากประสบการณ์ทั้งหมดข้าพเจ้าพอจะวินิจฉัยลงไปได้ว่ามีหนทางอยู่ทางเดียวเท่านั้นภายใต้ท้องฟ้าอันสูงลิฟที่จะบันดาลให้การโต้แย้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ หลบหลีกมันเสียจงหลบหลีกการโต้แย้งเช่นเดียวกับท่านหลบหลีกอสรพิษและแผ่นดินไหวเก้าในสิบครั้งของการโต้แย้งจะจบลงด้วยต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นยิ่งขึ้นไปกว่าเกา่าว่าตนเป็นฝ่ายถูกอย่างเต็มที่ท่านไม่สามารถชนะการโต้แย้งเป็นอันขาดท่านไม่สามารถชนะได้ก็เพราะถ้าท่านเป็นฝ่ายแพ้ท่านก็จะแพ้และถ้าหากท่านเป็นฝ่ายชนะท่านก็จะแพ้เช่นเดียวกันทําไมหรือ นี่แนะท่านถ้าสมมุติว่าท่านชนะอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการพิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุผลของเขาช่างอ่อนเสียเหลือเกินจนเหมือนกับเหตุผลของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านจะดีใจในฐานะผู้ชนะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเล่าท่านจะทําให้เขารู้สึกต่ําต้อยน้อยใจท่านจะทําลายความภาคภูมิของเขาเขาจะรู้สึกเจ็บใจต่อชัยชนะของท่านและ คนที่จำใจต้องเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เชื่อความคิดเห็นของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงบริษัทประกันชีวิตชื่อมิวจูนไลอินชัวรันได้วางกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดสำหรับคนเดินตลาดอย่าโต้แยง้งสมรรถภาพในการเป็นคนเดินตลาดมีได้มาจากการโต้แยง้งหรือกระทำในสิ่งที่ละไม้คล้ายเคืองกับการโต้แย้งแม้แต่น้อยการใช้วิธีโต้แย้งจะไม่สามารถเปลี่ยนใจมนุษย์ได้เป็นอันขาด ขอยกตัวอย่างดังนี้หลายปีมาแล้วมีชายชาวไอริชที่ชอบทะเลาะวิวาทคนหนึ่งชื่อแพทริกโอแฮร์มาเข้าเรียนในสถานศึกษาชั้นหนึ่งของข้าพเจ้าเขาเป็นคนได้รับการศึกษาน้อยและชอบพานทะเลาะเสียจริงๆครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนขับรถยนต์และการที่เขามาศึกษากับข้าพเจ้าก็เพราะเขาเปลี่ยนอาชีพมาขายรถยนต์บรรทุกและได้รับผลไม่เป็นที่พอใจจากการซักถามจึงปรากฏความจริงว่า เขาเป็นคนชอบมีเรื่องวิวาทโตเถียงเรื่องรถบรรทุกกับผู้ที่เขาไปติดต่อเสนอขายอยู่ประจำถ้าหากผู้ที่เขาติดต่อด้วยพูดถึงรถบรรทุกที่เขาเสนอขายอย่างหนึ่งอย่างใดไปในทางที่ว่าคุณภาพไม่ดีพอแพทจะเกิดโมโหและโต้แย้งทันทีทันควันแพทชนะการโต้แย้งม า, มามากต่อมากเมื่อก่อนนี้ดังเขาบอกข้าพเจ้าภายหลัง ผมมักจะเดินออกจากสำนักงานของผู้ที่ผมเสนอขายด้วยการพูดกับตนเองฉันได้อธิบายให้เจ้าหมอนั่นเข้าใจอะไรบางอย่างถูกแล้วผมได้อธิบายให้เขาเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ผมไม่ได้ขายอะไรสักอย่างให้เขาเลยบทเรียนบทแรกที่จะแก้ปัญหาของแพทริกโอแฮร์ไม่ใช่การสอนให้เขาพูดสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องจัดการโดยรีบด่วนก็คือสอนให้เขารู้จักยับยั้งการพูดและหลีกเลี่ยงการพูดชวนทะเลาะ ปัจจุบันมิสเตอร์โอแฮร์เป็นดาราคนเดินตลาดของบริษัทรถยนต์ไวมอเตอร์ในนครนิวยอร์กเขาก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จนี้อย่างไรหรือท่านต่อไปนี้คือเรื่องตามคำบอกเล่าของเขาเองในเวลานี้ถ้าผมเข้าไปในสำนักงานของผู้ที่ผมเสนอขายและได้ยินเขาพูดอะไรนะรถบรรทุกยี่ห้อไว้หรือรถนี้ไม่เห็นได้ความให้ผมเปล่าๆสักคันก็ไม่รับประทานผมกลังจะซื้อรถบรรทุกฮุดอิ ผมจะพูดฟังผมก่อนครับท่านที่นับถือรถฮุตอิดเป็นรถบรรทุกที่ดีถ้าท่านซื้อรถฮุตอิดท่านจะไม่ผิดหวังเป็นอันขาดรถฮุตอิดสร้างโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและคนเสนอขายล้วนแต่มีความสามารถทั้งนั้นเขาถึงกับนิ่งงนันไม่มีช่องทางที่จะโต้แย้งกันเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเขาบอกผมอีกว่ารถฮุตอิดดีที่สุดผมก็จะรับรองว่ามันดีที่สุดจริงๆผลก็คือเขาจะเลิกพูดถึงรถยี่ห้อนั้น เขาคงไม่ใช้เวลาตลอดบ่ายพูดแล้วพูดอีกเป็นรถดีที่สุดในเมื่อผมได้ลงความเห็นสอดคล้องกับเขาแล้วเป็นอันว่าการพูดถึงรถฮุดอิดยุติลงต่อจากนั้นผมจะเริ่มพูดถึงความดีในประการต่างๆของรถบรรทุกไว้ถ้าในตอนนี้ผมอยากเห็นเขาน่าดำหน้าแดงผมจะเห็นง่ายๆด้วยการโต้แย้งทับถมรถฮุดอิดซึ่งยิ่งผมพูดโต้แย้งทับถมเจ้ารถยี่ห้อนั้นมากขึ้นเพียงใด เขาก็จะโต้แย้งเข้าข้างรถนั้นมากขึ้นเพียงนั้นและยิ่งเขาโต้แย้งมากขึ้นเพียงใดเขาก็จะต้องการซื้อรถของคู่แข่งขันของผมมากขึ้นเพียงนั้นเวลานี้เมื่อผมนึกไปถึงครั้งกระโน้นคราวใดผมจะรู้สึกประหลาดใจตนเองที่เป็นคนชนิดนั้นซึ่งไม่น่าจะมาเป็นคนเดินตลาดขายสินค้ากับเขาเลยผมเสียเวลาหลายปีให้หมดสิ้นไปอย่างเปล่าเปล่าปี่ด้วยการทะเลาะและโต้แย้ง เดี๋ยวนี้ผมหุบปากของผมแน่นมันได้ผลอย่างที่สุดเบนยามินแฟงคลินผู้มีสติปัญญาหลักแหลมก็ได้กล่าวไว้ถ้าท่านโต้แยง้งพูดให้เจ็บใจและเถียงท่านอาจจะประสบชัยชนะในบางครั้งแต่เป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าทั้งนี้ก็เพราะท่านจะไม่สามารถรับไมตรีจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นขอท่านจงพิจารณาด้วยตนเองว่า ท่านต้องการชัยชนะในการโต้แยง้งหรือต้องการไมตรีจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งน้อยนักที่ท่านจะได้รับทั้งสองอย่างครั้งหนึ่งนิตยสารบอสตันทานร์สคลิปลงพิมพ์โครงที่แต่งผิดแบบแต่มีความหมายลึกซึ้งนอนอยู่ตรงนี้คือร่างของวิลเลียมเยผู้มรณะซึ่งมีนิสัยดึงดันว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเขาเป็นผู้ถูกถูกเพ่งในการโต้แยง้งแต่ความตายของเขาดูคล้ายกับเขาเป็นผู้ผิด ท่านอาจจะเป็นผู้ถูกถูกเพงในการขึ้นเสียงโต้แยง้งจนแทบจะไม่หยุดทำการหายใจแต่การเปลี่ยนใจอีกฝ่ายหนึ่งให้คล้อยตามเหตุผลโต้แย้งของท่านท่านอาจจะพบกับความปราศจากผลจนดูประหนึ่งว่าท่านเป็นฝ่ายผิดดีๆนี่เองวิลเลียมยีแมคอาร์ดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยวุธิโรวินซันเป็นประธานาธิบดีกล่าวว่า จากการศึกษาผลแห่งการปฏิบัติงานอย่างคร่ำเคร่งมาหลายปีในทางการเมืองเป็นสิ่งสุดวิสัยที่จะเอาชนะคนโง่เขาเบาปัญญาด้วยการโต้แยง้งคนโง่เขาเบาปัญญาท่านใช้คำพูดที่อ่อนละไมยอยู่สักหน่อยมิสเตอร์แม็กอาดูเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่จะให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดแม้จะโง่เขาเบาปัญญาหรือไม่ก็ตามเปลี่ยนใจของเขาเพราะเป็นปากเสียงกันเป็นต้นว่า f ฟ d e ริ c เอสพาซันที่ปรึกษาเกี่ยวกับภาษีรายได้ถึงกับทะเลาะและทุ่มเถียงนับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกับนายตรวจภาษีรายได้ของรัฐบาลเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเลขในบัญชี 9, เก0 0ันเหรียญที่มิสเตอร์พาซันถือว่าเป็นหนี้ศูนย์ที่เก็บไม่ได้อีกแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีหนี้ศูนย์ตาผมไม่มีหรือไงนายตรวจผู้นั้นกระแทกเสียงตอบมันต้องเป็นเสียภาษี นายตรวจผู้นี้เป็นคนที่ไม่ยอมฟังเสียงใครยิ่งยะโสและรัน้นมิสเตอร์พาซันกล่าวและเล่าเรื่องของเขาหน้าชั้นเหตุผลหรือข้อเท็จจริงเสียเวลาเอามาเอ่ยยิ่งโต้แย้งกันนานเข้าเขายิ่งรั้นหนักขึ้นเหตุนี้เองผมจึงตกลงใจที่จะหลีกเลี่งยงการโต้แย้งเปลี่ยนเรื่องเสียและให้คํายกย่องชมเชยเขาผมจึงพูด ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยถ้าเปรียบกับความสำคัญและความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณที่จะต้องตัดสินชี้ขาดผมได้ตรวจดูรายการเสียภาษีด้วยตนเองแต่นั่นแหละครับผมรู้โดยอาศัยการดูบัญชีส่วนคุณรู้จากความจัดเจนช่ำชองในงานนี้ของคุณผมอยากทำงานเหมือนอย่างคุณสิจริงๆผมจะได้รับความรู้ไม่น้อยเลย คำพูดทุกๆคำผมกล่าวอย่างจริงใจผลก็คือนายตรวจผู้นี้ยืดกายตรงพิงหลังกับพนักเก้าอี้แล้วคุยเป็นเวลานานถึงงานของเขาเล่าให้ผมฟังถึงคนบางคนใช้ลูกไม้พลิกแปลงอย่างฉลาดหลกภาษีแต่แล้วเขาก็จับได้สุดท้ายเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นกันเองครั้นแล้วเขาเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องลูกๆของเขาตอนเขาลาจากไปเขาบอกผมว่าเขาจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และจะแจ้งความตกลงใจของเขาให้ผมรู้ภายในสองสามวันสามวันต่อมาเขามาหาผมที่สำนักงานและบอกผมว่าเขาได้ตกลงใจคืนเงินค่าภาษีให้ผมครบตามจานวนที่ผมได้คิดลดเอาไว้ในตรวจภาษีรายได้ผู้นี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงว่าตามปกติธรรมดาของมนุษย์ทั้งหลายย่อมมีความอ่อนแออย่างไรบ้าง เขาต้องการความรู้สึกเป็นคนสําคัญดังนั้นขณะมิสเตอร์พาซันโต้แย้งเขาเขาจึงทําตัวให้รู้สึกว่าเป็นคนสําคัญด้วยการเถียงดังลั่นโดยอาศัยอํานาจหน้าที่ทางรัฐการแต่ครั้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับนับถือความสําคัญของเขาหยุดโต้แย้งเขาและปล่อยให้เขาพูดถึงตัวของเขาเองอย่างเต็มที่เขาจึงกลายเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความเมตตาปราณีกองสตัง หัวหน้ามหาดเล็กในราชสำนักของพระเจ้านโปเลียนมักจะเล่นบินเลียดกับพระนางโยเซฟฟินเสมอๆกองสตันเล่าไว้ในหนังสือเรื่องความทรงจำเรื่องส่วนพระองค์ของพระเจ้านโปเลียนหน้า73เล่มหนึ่งดังนี้แม่ข้าพเจ้าจะมีฝีมือดีข้าพเจ้าไม่ไวที่จะให้พระนางเป็นฝ่ายชนะข้าพเจ้าบ่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่สบใจพระนางอย่างยิ่ง เราจงศึกษาบทเรียนนี้จากพฤติการของกองสตังเราจงยอมให้ลูกค้าของเราคู่รักผัวเมียเป็นฝ่ายชนะเราในการโต้แย้งเกี่ยวกับกรณีเล็กๆน้อยๆพระพุทธเจ้าพูดเวนวงเล็บเปิดความเกลียดความพยาบาทวงเล็บปิดย่อมไม่ระงับด้วยเวนแต่ระงับด้วยความรักและทํานองเดียวกันความไม่เข้าใจต่อกันย่อมจะไม่ระงับด้วยการโต้แยง้ง แต่ด้วยความรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวความสุขุมรอบคอบความประนีประนอมและความเห็นอกเห็นใจซึ่งจะช่วยให้มองเห็นแง่คิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครั้งหนึ่งลิงคอนตำหนินายทหารคนหนึ่งอย่างรุนแรงที่เขาผู้นั้นฝ่าฝืนวินัยโดยโต้เถียงอย่างหน้าดําหน้าแดงกับเพื่อนคนหนึ่งบุคคลได้มีเจตนาที่จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อตัวของเขาเองลิงคอนกล่าวเขาไม่ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการโต้เถียงเป็นอันขาด การโต้เถียงย่อมจะเป็นผลให้เกิดโทสะและทำลายอำนาจบังคับตนเองจงยอมจำนนต่อการโต้เถียงในเรื่องใหญ่ซึ่งผลที่ท่านจะได้รับไม่มีอะไรมากไปกว่าการอวดตนว่าท่านไม่แพ้ใครและจงยอมจำนนต่อการโต้เถียงในเรื่องเล็กแม้ท่านมีสิทธิ์ที่จะกระทำอย่างเต็มที่จงให้ทางแก่หมาแทนท่านจะต่อสู้กับมันเพื่อรักษาสิทธิของท่าน จนกระทั่งท่านถูกมันกัดเอาแม้ท่านจะฆ่าหมาตัวนั้นเสียแต่ท่านก็ยังคงมีแผลถูกกัดอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นกฎที่หนึ่งมีดังนี้วิธีที่จะระงับการโต้แยง้งหรือโต้เถียงที่ดีที่สุดก็คือจงหลีกเลี่ยงเสีย